เดิมเมื่อสักครู่โยมถามประเด็นเรื่องจะเจรย์ยังไงด้วยนั้นนะอันะนั้นะเก็บไว้ก่อนนิดนึงได้ไหมนะเก็บไว้ก่อนนิดนึงเดี๋ยวก็เออทีนี้ประเด็นก็คือว่าเหตุที่ต้องเก็บไว้ก่อนตรงนี้ก็คือว่าเดิมสรุปตรงนี้นิดนึงก็คือว่าเวลาเหลือ น, นิดนึง <S <S 1> <S 1> เกี่ยวกันในเรื่องของการชาวพุทธส่วนใหญ่เวลาไปเจริญทานบุษย์เอายกขึ้อย่างนางวิสาขานิดนึงนะนางวิสาขาเธอก็ เธอตั้งโรงทานนะเรื่องนี้โยมต้องต้องฟังให้เต็มที่นะเราจะได้ได้ดูว่าเออเราทำถูกไหมนางวิสาขาเธอก็ตั้งโรงทานแปดมุมเมืองสี่มุมเมืองเลยนะในสาวัตถีแล้วเธอก็จะเฝ้าวุฎิย้าววันละสองเวลาไปเฝ้าพอออกพรรษาก็มีพระมาถวายรายงานพระบรมศาสดามาไปเสร็จก็มากราบเธอก็อยู่ด้านหลัง ข้าก็ถวายรายงานว่าข้าแต่พระ อ, องค์ผู้เจริญข้าพระ อ, องค์ไปประพฤติปฏิบัตินั้นนที่นั้นท่าที่อยู่ข้าพระ อ, องค์เนี่ยได้ถึงแก่การมรณภาพรูปนั้นมรณภาพรูปนั้นก็มรณภาพรูปนั้นก็นอรละภาพแล้วอยากจะทราบว่าคติของภิกษุรูปนั้นเป็นอย่างไรพระเจ้าค่านะพระพุทธเจ้าก็วัดดูก่อนภิกษุทั้งหลายองค์ที่มรณภาพชื่อนี้ ได้เป็นพระโสดาบานันมีอันไม่ตกต่าเป็นธรรมดาอันนี้แปลว่าปิดอบายภูมิได้แล้วองค์นั้นเป็นพระสกาคาคามีจะอยู่ในกามาภูมิเพียงครั้งเดียวแล้วจะปรินิพานในในในในในในภูมมภูมิองค์นั้นเป็นพระนาคามีตัดกามาภูมิกลับกา ร, รมาทำได้แล้วไปจะไปปรินิพานที่สุทาวาทีทุ้ท่านองนั้นเป็นพระอรหันท่านปรินิพานแล้วพอนางได้ยินอย่างนี้ปุ๊บนางก็นั่ง ตึเออเกเรื่บเกิดปลาโมดแล้วพอสักพักหนึ่งนางก็ไปถามยังรู้ไว้ฟังหรือเปล่ า, านะ น, นวิสาขาก็คารเข้าไปเดินเข้าไปเข้าไ ป, ไปนมือถามว่าพระคุณเจ้าพระที่พระคุณเจ้าพูดมาที่พระบรมศ า, าสดาทรงพยากรณ์ น, นั้นได้มาที่สาวัตถีไหมพระขันก็บอกว่ามาพอพูดแค่เนี้ย โอ้ยเสร็จเราแล้วทานกุศลเราดักไว้ทุกเมืองทุกมุมเลยเสร็จไหมยอย่างเงี้ยเรียบร้อยแล้วเธอก็ทําเธอก็ไปรายงานพระเจ้าแล้วแล้วเธอกลับมารายงานพระเจ้าทีหลังนะเธอก็ระลึกถึงเจดนาทานรละลึกถึงอะโรพาทานระลึกถึงทานกุศลที่ตนเองตั้งไว้ดีแล้วในศาสนาของพระชินเจ้าในขณะที่ระลึกนั้นนะ่ะเกิดขนลุกโชชันนะปลาโมดปีติเกิดปัสสติความสงบ แล้วเกิดสุขสมนัตพ่องใสขึ้นตั้งมั่นเป็นสมาธิเป็นเหตุให้เธอเข้าสมาบัติไดเ้เข้าสมาธิได้เป็นชั่วโมงเป็นสองชั่วโมงเป็นสามชั่วโมงเอายอมเคยทำแบบนี้ไหมไม่กลับไปให้ทานใหม่แล้วตั้งใจใหม่เธอจะนั่งแล้วก็วันนั้นดข้าวบางวันเลยดิ่งไปเฉย ไม่ดนเรือนในหลับอ๋อถ้นั้นหลับถ้าั้นมีอะไรเราเอาตรงนี้เมื่อกี้ถามว่าการปฏิบัติในจารีตศีลเออที่นั่งอยู่นี้ใครชำนาญในจารีตศีลมา้ใครเลี้ยงดูพ่อแม่โอ้น่าเช่นเธอและในขณะที่ดูแลพ่อแม่เนี่ย คิดว่าเป็นจารีศีลไหมหรือไม่ได้คิดคําว่าจารีศีลนี่คือบุคคลประพฤติในศีลนั้นทศดิจาบัญญัติไว้ว่าสิ่งที่ควรทำเชื่อว่าจารีเป็นตัวกุศลศีลเป็นตัวเจตนาที่เป็นไปกับกุศลเป็นความตั้งใจที่จะกระทำประพฤติปฏิบัติ มีเจตนาในการตั้งใจจะปฏิบัติต่อพ่อแม่เป็นต้นให้บริบูรณ์ศีลเป็นไปได้วยความเป็นผู้ทําให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายนะเป็นจารีทําไมต้องทําให้บริบูรณ์เพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าจารีศีลไม่ดีจะพัฒนาสู่ศีลห้าได้ยากที่จะเป็นศีลห้าจริงๆนะยากมันจะกระพองกระแพงมันจะไปได้มันเป็นไม่เย็นชิ้นเป็นอัน ทีนี้จารีศีนเนี่ยมีศรัทธาและมีวิริยะสําเร็จด้วยศรัทธาและวิริยะท่านคนที่จะประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ต้องมีศรัทธาไหมศรัทธาในอะไรที่เราจะเบียดต่อพ่อแม่เราต้องมีศรัทธาในอะไรศรัทธาในองค์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำไมต้องมีความศรัทธาในพุทธเจ้าเพราะจารีสีนหรือตัวกุศลสีนคือเจตนาสีนี้เป็นอาลยาทรัพย์ที่จะต้องเอามาประชุมไว้ในกระแสของชีวิตให้ได้และเมื่อมีศรัทธาอย่างเดียวถ้าไม่มีความเพียรจะประพฤติปฏิบัติให้บริบูรณ์ได้ไหมได้ไม่ได้ นั้นต้องต้องมีศรัทธาคือความเชื่อมั่นในพระธรรมในในพุทธโอวาทอย่างแท้จริงด้วยสองต้องมีความเพียรพยายามในการที่จะประคับประคองต้องกระตุ้นความรู้สึกตลอดไหมเพราะใจเราไม่อยากทํามันเกลียดข้านใช่ไหมล่ะไม่อยากทําหรอกยิ่งไปทําแล้วเนี่ยเราจะต้องเจออะไรเจอกับเสียงบน่นเสียงด่าเสียงว่าถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างแล้วยังจะต้องเสียเวลาเราอะไรเยอะแยะเบียดเสด ฉะนั้นจึงต้องมีความเพียรประคับประคองใจอย่างต่อเนื่องถามว่าเมื่อมีความเพียรเป็นต้นเหล่าเนี้ยนี่เราเชื่ออะไรมีศรัทธาเราเชื่อในปัญญาการตรัสรู้ดีของพระเจ้าว่าตัวกุศลศีลจะทําให้เราพ้นจากอะไรพ้นจากทุกขติภูมิพ้นจากกายภูมิแล้วก็พ้นจากอะไรพ้นจากสังสารวัฏ ทีนี้พอปฏิบัติอย่างนี้ถามว่าเราเห็นแก่หน้าพ่อหน้าแม่เห็นแก่หน้าสามีเห็นแก่หน้าแก่บุตรภรยาเห็นแก่หน้าลูกหน้าหลานหรือเห็นแก่หน้าเพื่อนเห็นแก่หน้าของผู้ตายบังคับปัญชาหรือเห็นแก่หน้าพระสงฆ์ก็เห็นแก่ใครเห็นเรามีศรัทธาในพุทธโอวาททาไมเราเชื่อมั่นในพุทธโอวาทเพราะพิจารณาเหตุผลพิจารณาเหตุผลแล้วปัญญาเกิดก็เลยเกิดความเชื่อมั่น พอเชื่อมั่นต้องปาราบลความเพียรตลอดไหมารบาบประท่าต้องปาราบลบ่อยๆถ้าเกลียดค้านต้องปารปาบลบไหมปราบลเพื่อจะให้ออกจากความเกลียดคา้านต้องออกจากความเฉ ย, ยชาของจิตก็ประคับประคองที่ความเพียรมีสองอย่างเพียรไปโกรธไปกับเพียรไปกับใจของใสเพียรอะไรที่ทรงประสงค์เพียรแล้วด้วยใจที่ผ่องใสภูมิใจอะไรอะ่ะ ภูมิใจตรงที่สามารถพัฒนากุศลศีลให้เกิดขึ้นได้จริงภูมิใจตรงนั้นนะภูมิใจที่ได้ปฏิบัติตามพุทธโอวาสศรัทธาที่เชื่อมั่นเลยถามว่าในขณะที่กาลังปฏิบัติตักข้าวให้พ่อแม่นวดเป็นให้พ่อแม่กวาดบ้านถูบ้านให้พ่อแม่หมุงข้าวให้พ่อแม่อุปถามพ่อแม่ดูแลพ่อแม่เป็นต้นในขณะนั้น จิตใจเศร้าหมองหรือปลาหมดมีจีเอาที่ผ่านมาที่ผ่านมาจริงหรือ <c oughs> ถ้าแม่บน่นถ้าพ่อบน่นถ้าสามีหรือภรรยาบน่นตรงนี้บ่นหรือไม่บน่นแต่สภาพใจยิ่งผ่องใสจะมาตรวจสอบว่าตอนนี้คุณทําดูรูตัวกุศลศีลในใจเราเนี่เกิดขึ้นไหมแล้วอย่าลืมนะตรงนี้ยเมื่อเราทําจารีศีลนี่บริบูรณ์แล้วก็ทําวารีศีลนี้บริบูรณ์เ็เสร็จนะต่อมาถ้าอยู่ในอาสนะเดียว และลึกนิ่วโหสมาธิปัญญาเกิดเร็วมากนะเหตุ hmm. ผลที่สมาธิปัญญาเกิดได้ไม่เร็วเพราะว่าฐานของกุศลและศีลไม่แข็งแรงพอเ mm hmm. วลามาเดินชั้นปัญญาเดินก็ตกเดินก็ตกม mm ัน hmm. เป็นอย่างนี้นั่งที่ไหนก็หลับนั่งที่ไหนก็หลับ mm hmm. เพราะไม่เคยปลื้มใจในการปฏิบัติอย่างนี้เลยอ่ะ mm hmm. คือเราไปไปเวลาเราไปทํางานเนี่ยเราไปคิดว่าเมื่อไหร่จะเสร็จใช่ไหมล่ะ hmm. แต่เรากลับไม่เคยคิดว่าไอตัวคุณธรรมตัวกุศลศรรีลเนี่ยมันประชมในใจเกิดขึ้นได้จริงไหมการขับเน้นที่จะทําให้สภาพจิตใจที่เป็นไปตัวกับตัวศีลและมีความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวแล้วเห็นตัวศีลที่เกิดในตนจริงๆเห็นเลยนะเห็นตัวเจตนาศีลเห็นความเพียรที่เกิดขึ้นเห็นศรัทธาที่ตั้งมั่นขึ้นเห็นปัญญาที่เข้าใจตอนนั้นเรากําลังทําปัจจุบันกรรมที่เป็นกุศลเนี่ยมันเห็นตรงนั้นก็เลยเกิด ชื่นใจชื่นใจนั้นเห็นอะไรเห็นพระธรรมหรือยังเห็นพระธรรมคุณแล้วเห็นพระธรรมคุณเชื่อมโยงต่อพระพุทธคุณว่าพระธรรมคุณอันนี้คือศีลนี้พุทธเจ้าประทานให้แล้วเห็นกุศลศีลอยู่ในตนแปลว่าเรากําลังจะก้าวเดินจากกุุชนเพื่อเข้าไปสู่ความเป็นอริยะนี่เรากําลังจะก้าวเดินสู่สังคมข อ, อริยะนะยากไหมฮะเออฟังแล้วน่าชื่นใจ <c oughs> เรานึกว่าเรานึกว่าที่ปฏิบัติธรรมมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมแต่ก่อนใช่ไหมใช่ไหมเรานึกว่าที่ปฏิบัติธรรมมันอยู่ตรงไหนกันแน่เนี่ยเริ่มหาเจ อ, อยังแต่อย่าลืมนะบุคคลเหล่านี้จะเข้ามาฟังธรรมตลอดทําไมต้องฟังตลอดอย่าลืมนะเข้าใจวันนี้เดี๋ยวก็จิตก็ตกอีกเดี๋ยวไปเจอรูปแบบอื่นไปหมดแล้วเป๋ เรียบร้อยไม่มีมั่นคงใดๆเรามาผ่านมาเยอะแล้วนะเข้าหูเอามาแอบชื่นใจตั้งหลายครั้งนะไปวางแหงอุยมาบอกกันมานี่ต่อไปนะท่านนะยอมจะปฏิบัติทำจารีศีลทำวาลีศีลเดินสู่สมาธิและปัญญาให้ชัดเจนตอนนี้ยอมไม่ตกแน่พอเจอกันอีกสองเดือนเสียนี้ยอมกลับไปเดินอย่างเก่าแล้วถามเป็นไรไม่ไหวทำแล้วเครียดท่านเป็นอย่างนี้เพราะเราไม่เคยเราเราไม่เคยถูกปลกทำ มีแต่อยู่แต่ในคําสอนแต่เราไม่เคยปลุกระดมเอามาทำกันจริงจงสิ่งเหล่าเนี้แล้วทําแล้วได้ผลด้วยแล้วแล้วเราไม่เคยรู้นะว่าเราให้ทานทุกวันเนี่ยจะเดินทานกุศลทุกวั น, นเราไม่เคยรู้เลยใช่ไหมล่ะเอางี้เราไปเสียภาษีเราเคยคิดว่าเราให้ทานไหมมันไม่เป็นทานกุศลหรอกโอ้โหเดี๋ยวก็รถไปเสียภาษีอีกแล้วเนี่ยเสียภาษีโรงเรือนอีกแล้วเดี๋ยภาษีภาษีที่ดีอีกแล้วเราไปคิดว่ามันเสีย แต่ถ้าคนคิดเป็นมุมกลับคิดอะไรเป็นทานกุศลไหมเป็นศีลกุศลได้ไหมเป็นประเพณีเป็นยารีไงเป็นเป็นเป็นกติกาของสังคมไงถ้าเป็นทานกุศลเนี่ยตอนนั้นเป็นการให้ไหมแล้วให้คนทั้งประเทศไหมในนั้นมีพระสงฆ์อยู่ด้วยไหมโอ้เราจะให้ผู้มีศีลเป็นประธานนอกนั้นก็ไล่ตามลาดับจนให้กษัตริย์ฉานด้วยถามว่ายิ่งใหญ่ไหมในใจอ่ะโอ้ยิ่งใหญ่มากเป็นทานมหาสาลด้วย มันไม่คิดแค่คิดเนี่ยก็คิดไม่ไม่ถูกแล้วเห็นไหมใช่ไหมละ่ะโอ้ไปเถียงกับสถาบันที่ตา ย, ตายแต่ละปีไปเถียงนั้นอยู่นั่นแหละหน้าดําตาแดงเครียดด้วยบางคนนี่โอ้โหไปเถียงอ่ะไม่เถียงคิดว่าทําไมกูต้องจ่ายด้วย <c oughs> โอยเล่นกันนว น, นยวีหมดเลยเออมาขอกันดีๆ ก, ก็ก็ยังได้มันต้องมาต้อง <c oughs> ไรต้องมาขูดเล่ยกันด้วยอะไรอย่างงี้ยไม่ไม่คิดว่าเป็นทานกุศเลเลยใช่ไหม เคยคิดว่าเป็นทานกุศลไหมล่ะเสียภาษีเนี่ยเคยคิดว่าเป็นทานกุศลไหมไม่คิดเลยแล้วเมื่อไม่คิดให้ปรงแต่งจิตให้เป็นทานกุศลแล้วจะเป็นทานกุศลได้ไหมไม่ได้แล้วเงินต้องเสียไหมเสียให้พ่อให้แม่เคยคิดว่าเป็นทานกุศลไหมให้น้องเคยคิดว่าเป็นทานกุศลไหมให้ญาติเคยคิดว่าเป็นทานกุศลไหมคนส่วนใหญ่ไม่ได้คิดหรอกที่ผ่านมาบางทีเครียดเลยซ้ําไปนี่ ระหว่านกระหองล่าท่านเจริญนาน้อยจริงๆปรดก ร, มมร ะ, ะวนสนุบเทียนชักช้าเลยค่ะว่าท่านวารีไม่ดีท่านภัะจารีไม่ดีเนี่ยนศิลป์ข้าจะเข้าเลยคือความที่มีศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนตรัยเรื่อมใสยอย่างมั่นคงในคุณของพระพุทธเจ้าในคุณของพระธรรมในคุณของพระสงฆ์ แล้วมีการเชื่อกรำคือการกระทําและเชื่อผลของกรรมที่จะได้รับเป็นสภาพที่ผ่องใสและก็เด็ดเดี่ยวทําให้ไม่เกิดความลังเลในการประพฤติจารีศีและพัฒนาสูวาไรสีชัดเพราะการที่เห็นจารีสีลที่ตนเองกระทําต่อพ่อแม่กระทําต่อบุตรภรยากระทําต่อญาติมิตรและมีศรัทธาเชื่อมั่นมีวิริยะเพียรประคับประคองมีสติในการตั้งมั่นระลึก ไม่ให้บาปเข้ามาแทรกและมีสมาธิที่ตั้งมั่นและในขณะเดียวกันก็มีความไม่โกรธก็คืออโทสะที่มีกำลังตัวขันติที่สามารถอยู่ในสภาพของครอบครัวถึงแม้ว่าตอนนั้นสถานการณ์ของครอบครัวยังไม่เป็นปกติแต่ตนเองก็สามารถวางจิตเดินขันติบารมีซึ่งเป็นตัวศีลด้วยด้วยและเพราะอะไรเพราะมีความเชื่อมั่นในกรรมและผลของกรรม ความเชื่อมั่นในกรรมและผลของกรรมเพราะนั้นเชื่อมั่นตัวเจตนาคือตัวจารีสีนตัวเจตนาศีลเป็นตัวกรรมเเชื่อมั่นในกุศลกรรมจรึงพัฒนาสู่วารีตะคือศีลที่เป็นศีลหลักได้เช่นงดเว้นจากการฆ่างดเว้นจากการลักงดเว้นจากการพูดผิดในกรมงดเว้นจากการพูดเท็จส่อเสียดคำหยาบและเพ้อเจอ้อและงดเว้นจากการดื่มสุราและเมลัยอันมีที่ตั้งความประมาทเหตุผลทั้งหมดเพราะไปเชื่อมั่นตัวกรรมแล้ว ที่ตัวเองปฏิบัติต่อพ่อแม่เป็นกุศลกรรมปฏิบัติต่อครูอาจารย์เป็นกุศลกรรมปฏิบัติต่อเพื่อนเป็นกุศลกรรมปฏิบัติต่อบุตรภรรยาสามีเป็นกุศลกรรมปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาลูกน้องเป็นกุศลกรรมและปฏิบัติต่อพระพุทธเจ้าต่อพระสงฆ์เป็นกุศลกรรมเมื่อมีความเชื่อมั่นด้วยมีความเพียรประคับประคองด้วยมีสติระลึกอย่างต่อเนื่องด้วยมีสมาธิตั้งมั่นในพุ้งสร้าง และมีปัญญาเข้าใจกรรมและเข้าใจผลของกรรมจึงไม่ลังเลสงสัยต่อาการสมาทานศิกขาบทห้าประการที่จะทําให้ชัดเจนยิ่งขึ้นจึงไม่ลังเลสงสัยอีกแล้วและที่สุดจริงๆเวลาระลึกสึ่งกายกรรมตนเองไม่เคยทําชั่วเลยวจีกรรมไม่เคยทําชั่วเลยและมะโนกรรมก็ไม่เคยไปคิดชั่วเลยกายก็สุจริตวจีกรรมก็สุจริตมโนกรรมก็จะสุจริต กายก็สะอาดวาจาก็สะอาดใจก็สะอาดจึงเหมาะและควรต่อการที่จะเป็นที่ตั้งของสติปัฏฐานคือการเจริญสติปัฏฐานเป็นต้นถ้าพื้นฐานตัวนี้ปรับไม่ดีถ้าสุจริตสามไม่ได้ห้ามไปเจริญสติปัฏฐานไปไม่เป็นแล้วคุณต้องถอยลงมาปรับกายกรรมให้สุจริตก่อนวัจจิรามโนกรรมให้สะอาดกายต้องสะอาดวาจาต้องสะอาดใจต้องสะอาดนั่นคือเป็น ตัวนี้เป็นอุปัทานะเป็นตัวผลที่เกิดขึ้นอะไรเป็นเหตุใกล้ของศีลศรัทธาคือความเชื่อมั่นหิริคือความละอายต่อบาปอด ต, ตปาคือความเกรงกลัวความเป็นผู้มักน้อยเป็นต้นมักน้อยในบาปเนะ่ยมักน้อยในการที่เป็นผู้มักน้อยในเอ่อมักน้อยในพวกปัจจัยทั้งหลายเป็นต้นตัวนี้จะเป็นตัวกระตุน้นกระตุ้นทําให้กุศลศีลเกิดได้สะดวกขึ้น กายก็สะอาดวาจาก็สะอาดใจก็สะอาดถามว่าภาชนะคือการสะอาดวาจาสะอาดแล้วใจสะอาดเหมาะไหมภาชนะนั้นเหมาะแก่การที่จะเอารัตนะที่เลิศมาใส่ไว้ไหมภาชนะที่สะอาดเหมาะแก่การใส่เพชรที่มีค่าฉะนั้นกายวาจา ใ, ใจสะอาดจึงเหมาะแก่การที่จะเดินสติประธาน 4, สีน 4, ่สำมะประธานสี่อธิบาศสี่อินทรี้าพลังห้าพุทชงเจ็ดและอาเรียมารพิโนถ้าอย่างนั้น ถามยอมยอมยอมสารวยเคยนั่งเครื่องบินไห ม, ไมไเคยเห็นลานบินไหมลานบินต้องมั่นคงไหมลานบินถ้าไม่มั่นคงเนี่ยระบบเครื่องบินระบบจัมโบ้ระดับคนนั่งมาเป็นพันๆคนเนี่ยลงไม่ได้เลสุดกายไม่สะอาดวาจาไม่สะอาดใจไม่สะอาดอย่าเอาสติปัฏฐานมาประชุมลงเพราะสติปัฏฐานนั้นน่ะมีความหนักมากกว่า เครื่องบินที่บรรทุกคนบรรทพันเนี่ยพอเอาม า, มาบรรจุใส่หน่อยกระเป๋าก็สุดหลับไม่งั้นก็ฟุ้งแตกลานบินมันแตกทําไมถึงแตกเพราะกายไม่สะอาดเพราะวาจาไม่สะอาดเพราะใจไม่สะอาดทําไมกายวาจาใจซึ่งไม่สอาดไม่สะอาดเพราะเจตนาศีลกับจารีศีลเพราะจารีศีลกับวาลีศีลไม่ไม่แข็งแรงเลยไม่ปรับฐานของกายวาจาใจให้ให้บริบู กายวาจาใจไม่ถูกปรับเดินกรรมฐานแบบนี้ก็พุ่งคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงบุตรคิดถึงทราบไปทั่วก็ใจไม่สะอาดเลยนึกถึงตนเองก็ไม่เคยปลื้มใจเลยวันนี้ทําอะไรมาบ้างก็ไม่รู้เฮียจารีศีลทําอะไรมาบ้างีปฏิบัติดีแต่พ่อแม่มองไม่เห็นเลยอ่มีแต่ความโกรธมีแต่ความโลภมีแต่ความอะไรก็ไม่รู้นึกถึงตัวปุสราศีที่งดเว้นจากการฆ่าการลัก นึกทีลายใจก็เศร้าหมองโอ้โหวันวันที่ผ่านมาแทนที่จะได้เรื่องประทับตาตึงใจปลาโมดพิติหาไม่เจอเลยแล้วทําไมเราไปไปเดินกรรมาฐานบนใจเศร้าหมองอ่ะจะเดินได้ยังไงเดี่ยด้วยข้อที่จริงทําได้จริงไหมได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวก็มันจะได้เหมือนกันนะที่ไปพิจารณาดูเหมือนปัญญาเกิดมันก็ดูเหมือนไม่ยึดมั่นแต่อยู่บนความยึดมั่น ถอนอะไรไม่ได้จริงไปดูเธอะสังเกตดูจริงๆไงดูเหมือนจะไม่ยึดมั่นแต่อยู่บนความยึดมั่นมันยึดเรียบร้อยแล้วอย่างนี้ยึดอย่างนี้ไม่ยึดยึดไปยึดมายึดข้อปฏิบัติของตนเองนึกว่าถูกใครมาบอกเอาพุทธพจน์มาบอกยังไงก็ไม่ยอมถอนทิ้งยังคิดว่านี่ถูกเเรียกไม่ยึดมั่นอยู่บนความยึดมั่นข้อปฏิบัติที่ผิดไปแล้วใช่ไหมล่ะ เพราะไม่ได้ถูกปรับมาจากพื้นฐานตอนนี้เราเริ่มปรับได้ยากไหมทีนี้ามีใครถามอะไรไหมเนี่ยเรีนสนข้อนี้ค่ะไยปยอมพิมพ์ข้ออว่า อยากให้พระอาจารย์มีชี้เห็นความสาคัญเป็นยิ่งทีเดีย ว, ยว่ว่าให้เรายอมเป็นทาสของการรักษาศีลเพื่อที่จะป้องกันการวิ่จะสุระบาลโดก็ตรง น, รงนี้ตรงนี้ก็เข้าใจนะว่า เ, เราเนี่ยเวลาเราสวดมนต์ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระเจ้าข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรมข้าพเจ้าเป็นทาสของพระงสงฆ์ทีนี้พอชีวิตจริง หลังจากสวดบนเสร็จปุ๊บไอ้คำพูดนี้ก็ลืมหายไปจากใจถามถ้าจะเป็นทศของพุทธเจ้าก็แปล ว, ว่าพุทธโอวาดบอกอย่างไรตามนั้นเลยที่จริงเนี่ยที่เชื่อเนี่ยความเชื่อนำไปสู่ปัญญาไงที่ผมมีปัญญาว่าตัวกุศลละศีล คือจารีตแล้ววาลีที่พูดมาสักครู่เนี่ยเจตนาศีลแล้วก็ุ่มเจศีลที่เกิดขึ้นจากการสำรวมทั้งหลายที่จริงรายละเอียดมีเยอะนีมันมันเข้าไปเจาะเอะใช้เวลาเจาะมันไม่มีเวลาเจาะประเด็นก็คือว่าจริงๆต้องยกทีละเคสทีละตัวอย่างด้วยซ้ําไปประเด็นพวกนี้ถึงจะเจริญกันได้จริงๆอันนี้เข้าใจแต่บอกกระตุ้นให้เรามีศรัทธากันไว้ก่อนแล้วเราจะได้ไปสืบค้นและจะได้ทําให้เกิดเป็นเนื้อเป็นตัวเราได้จริงๆรนะตัวศีลเนี่ยนะเพราะตัวศีลคือทำมังสะระนังกระฉามินะ ถามศรีหนึ่ตัวสัมมาวาจาสมากรรมตตาสมาชีวะที่อยู่ในองค์มรรคไม่ใช่ทํามังกร น, นกังกระฉามีไหมนั่นแหละตัวกุศลศรีเหล่าเนี้ยจะแข็งแรงจะตั้งมั่นไม่ได้เลยถ้าเราไม่ไปตั้งมั่นตั้งแต่ตัวกุศลศีลเบื้องต้นเมื่อเราตั้งมั่นในตัวกุศลศีลเบื้องต้นเนี่ยที่จริงเนี่ยถามว่าเราจะพัฒนาตัวกุศลศรีนเนี่ยให้มีความเชื่อมั่นในกุศลศรีอย่างไร ลำดับแรกต้องเชื่อมั่นมีศรัท ธ, ธาเชื่อมั่นก่อนว่าศีลนี้จะทําให้เราปลอดภัยศีลนี้จะทําให้ชีวิตเราปลอดภัยทั้งปลอดภัยในปัจจุบันภพและปลอดภัยในการต่อไปชีวิตเราที่เดือดร้อนทุกวันนี้เดือดร้อนทุกวันนี้เพราะศีลไม่มีในชีวิตจริและเพราะโทษจากการขาดศีลในอดีตนี่แหละหรือโทษคำการบกพร่องศีลในอดีตนี่แหละเราจึงเจ็บปวดเราจึงเดือดร้อน ฉะนั้นศีลจึงเป็นสาระเป็นเครื่องกำจัดภัยเมื่อเป็นสาระเป็นเครื่องกำจัดภัยศีลจึงเป็นที่พึ่งศีลจึงเป็นตัวคุ้มครองศีลจึงรักษากระแสชีวิตให้พ้นจากภัยทั้งหลายได้จริงพอเชื่อมั่นเบเ็เสร็จอย่างนี้ศีลจึงมาอยู่ในหนานาเป็นนายมีอิสระเหนือชีวิตเรามีอิสระเหนือทรย์มีอิสระเหนืออวัยวะ มีอิสระเหนือบุตรภรรยาญาติมิตรฉะนั้นเราจะลักเราจะให้ศีลเกิดในกระแสชีวิตของเราเราจะไม่าพาดชีวิตของเราออกจากศีลอีกแล้วเพราะการาพาดชีวิตออกของเราออกจากศีลการไม่ยอมเป็นทาสใช่ไหมอันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยเอาชีวิตของเราเนี่ยไปอยู่ใต้ศีลให้ศีลมาบงการชีวิต แทนที่จะเอาชีวิตไปวงการศีลเราก็จะไปเห็นว่าศีลมันสำคัญกว่าชีวิตหรือเห็นชีวิตสำคัญกว่าศีลเนี่ยเราก็จะต้องพัฒนาจนเห็นว่าศีลสำคัญกว่าชีวิตเพราะศีล น, นั้นเป็นตัวคุ้มครองชีวิตรักษาชีวิตเป็นที่พึ่งของชีวิตเป็นสารณะเป็นเครื่องกำจัดภัยที่จะมาเบียดเบียนกระแสชีวิตและจะทาให้ชีวิตเนะี่ย อยู่รอดปลอดภัยในปัจจุบันภพและในการต่อไปจะทำให้กระแสชีวิตพ้นจากอบายภัยและพ้นจากภัยในสังสารวัตเข้าถึงความดับทุกข์ได้จริงเพราะกุศลศีล น, นี่แหละเป็นปัจจัยถ้ามองอย่างนี้เห็นศีลสำคัญไหมก็เห็นศีลสำคัญอาแล้วศีลจะเกิดได้อย่างไร มันก็จะต้องมีเจตนาในการสมาทานตั้งมั่นเพื่อจะให้เกิดแล้วก็สังเกตใจของตนเองว่ากุศลศีลมาประชุมพร้อมหรื อ, อยังแล้วเมื่อมาประชุมพร้อมก็พัฒนาจากศีลขั้นห ย, ยาบๆนี่แหละให้เป็นไปอย่างละเอียดมากขึ้นมากขึ้นสังเกตดูเบื้องต้นก็คือตอนนี้กายกับวาจาโดนควบคุมไว้หรื อ, อยังที่ไม่ให้ละเมิดแล้วสภาพจิตใจเนี่ยเป็นไปกับความสุขหรื อ, อยัง เป็นไปกับศรัทธาหรือยังเป็นไปกับสติหรือยังเป็นไปกับความเพียรหรือยังเป็นไปกับปัญญาลุกเข้าใจกรรมและผลของกรรมหรือยังว่าทุกขณะความคิดเป็นกรรมนะโลภานี่เป็นกรรมชั่วหรือกรรมดีโทสะนี่เป็นกรรมชั่วหรือกรรมดีเห็นไหมโลภะเป็นศีลไหมโลภะเป็นศีลไหมความไม่โลภต่างหาเป็นศีลโทสะเป็นศีลไหม อโธสา ค, คือความไม่โกรธต่งางหาเป็นศีลโมหะเป็นศีลไหมปัญญาต่างหาเป็นศีลเจตนาที่เป็นบตรกุศลที่เป็นกุศลศีลอันนี้ก็เริ่มตรวจสอบสภาพจิตใจกระแสชีวิตของตนเองว่าศีลเข้ามาเกิดเป็นเนื้อเป็นตัวตนเองจริงๆริงไหมไม่ใช่แค่รูปแบบแล้วอันนี้เดินก็สู่สภาวะของศีลอย่างแท้จริงยากไหม <c oughs> ยากเลย ไม่ยากนะถ้าพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆกายจะสะอาดไหมวาจาส ะ, สะอาดไหมใจจะสะอาดไหมสังเกตดูนะว่าตัวสีระนาเนี่ยที่ทํากายวาจาไม่ให้กระจัดกระจายตัวสีระนาตัวนี้เป็นตัวควบคุมกายกับวาจาและสะภาพจิตใจที่ดีเป็นไปกับกุศลด้วยนะทีนี้ตัวกุศลศีลเกิดขึ้นเขาจะทําลายอะไรทาลายความไม่มีศีเพลาเกิดขึ้นมาปุ๊บเขาจะทําลายความไม่มีสี เ, เ, เ, มมสเช่น ถ้าไม่มีเจตนาที่เป็นไปกับกุศลนะ่ะปฏิบัติต่อพ่อแม่ตัวกุศลแศีลเกิดขึ้นมาปุ๊บจะคิดเลยเฮ้ยไม่ได้ต้องปฏิบัติกับพ่อแม่เหตุนั้นมันจะทําลายความไม่มีศีลถ้าเราไม่ปฏิบัติดีต่อพ่อแม่เป็นคนไม่มีศีลใช่ไหมแต่พอกุศลศีลเกิดขึ้นมาปุ๊บจะคิดปุ๊บเลยไม่ได้เพราะตรงนี้เป็นข้อปฏิบัติเป็นพื้นฐานที่จะปูพรมไปสู่สมาธิและปัญญาก็จะเริ่มปฏิบัติต่อพ่อแม่และในะขณะที่ปฏิบัติไปก็ไม่กลัวตัวอุปสรรคด้วยยิ่งเจออ อาโทศาสยิ่งเด่นปัญญายิ่งเด่นเห็นชัดว่าโอ้โหมีแหละอย่างเราต้องเจออุปสรรคอย่างนี้แหละกุศลศีลถึงจะได้ตั้งมันกายก็สะอาดวาจาเขสะอาดใจก็สะอาดทีนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าเข้าไปปฏิบัติแล้วเป็นเนื้อเป็นตัวแล้วตัวศีลก็เกิดขึ้นได้จริงๆเริ่มเข้าใจชัดขึ้นเออต้องไปฝึกนะโยมนะเนี่ยตอนนี้ฝึกกันได้ไหมที่อยู่ต่อกันเนะี่ยสามารถฝึกได้ไหม ปลึกได้ปฏิบัติต่อกันเนี่ยก็เรียกปฏิบัตินะเพราเอิสังคมไทยเราไปเข้าใจปฏิบัติคือนั่นงหลับตาเนี่ยมันน่าเจ็บปวดขึ้นตรงเนี้ยยศจริงไม่ยศเมยไปเข้าใจว่าหลับตาคือปฏิบัติอามาก็บอกมาตั้งนานแล้วว่าหลับตาเนี่ยที่ไม่แค่ปฏิบัติก็มีลืมตาไม่ใช่ปฏิบัติก็มีหลับตาหรือลืมตาที่เรียกว่าปฏิบัติก็มี เพราะตอนนั้นอ่ะหลับตาแล้วกุศลศีลไม่เดินในกระแสะชีวิตตอนนั้นเรียกว่าปฏิบัติไหม mm hmm. เช่นกำลังหลับตาแต่มันง่วงอ่ะสับประบกเบึ๊กปึ๊กเบึ๊ ก, ก, ก, กอย่างเนี้ตอนนั้นเรียกปฏิบัติไห ม, mm hmm. ป, ฏมปฏิบัติมันไม่ใช่รูปแบบมันไม่ใช่แต่มันเป็นตัวเนื้อของศีลและสมาธิปัญญามันเกิดจริงๆศีลใช่เจตนาไหมใช่ไม่ใช่เจตนาแต่ถามว่าเจตนาที่คิดจากงดเว้นจากบาป ท, ทางกายวาจานะถึงจะเป็นศีลจริง และถ้าความงดเว้นไม่เกิดจริงๆรศีลเกิดจริงไหมมันต้องงดเว้นได้จริงถอยออกจากบาปจริงจรนะขดหนีจากบาปจริงๆนะเช่นพอคิดจะทําลายชีวิตเขาแล้วหดออกจากบาปได้จริงพอคิดจะเกียดค้านว่าจะไม่ปฏิบัติต่อพ่อแม่แล้วหดหนีจากความรู้สึกนั Leah, struggle, ้นได้จริงอ่ะหดหดออกจากความเกียดค้านได้จริงแล้วก็มีความเพียรในการปฏิบัติต่อพ่อแม่ด้วยจิตผ่ใสนี่ศีลมันเกิดอย่างนี้ บางทีปฏิบัติไปไม่เป็นศีลก็มีนะเช่นเรากําลังนวดให้แม่แม่ก็ไม่ยอมหลับสักทีเราหูนวดอยู่แล้วเมื่อยแล้วมันเครียดเนะี่ะตอนนั้นเป็นศีลไหมแต่ทําไมปฏิบัติได้จ่ะไม่เป็นศีลหรือกวาดบ้านนี้แม่เนี่ยกวาดกวาดกวากว า, กวาไปแต่เครียดเลยใช้แต่เราคนอื่นไม่ใช้เลยนั่นเป็นศีลจริงไหมมันก็ไม่เป็นเหมือนกับนั่งหลับตาเนี่ยนั่งกรรมฐานเนี่ยนั่งฟุ้งไว้ก็ไม่เป็น จะเป็นกรรมฐานใ ด, ด้ไม่เป็นจะเป็นได้ไงคนก็นั่งหลับคนทั้งบ้านทั้งเมืองก็เป็นกรรมฐานหมดสิมีคนคนหนึ่งนะก็บอกเขาชํานาญมากหัวอาจารย์แม้ท่านอาจารย์พูดอย่างนี้ผมฟังแล้วผมชัดเจนเลยถามทําไมตอนสมัยผมทํางานเป็นธละว่าแต่ผมนั่งหลับได้เป็นวันวันไม่เคยรู้เลยว่าเขาผมนั่งหลับคนก็หาผมนั่งสมาธิที่ไหนแต่ผมนั่งตัวตรงหลับได้ก็เอนั่งตัวตรงหลับได้ทั้งวันคนก็นึกว่าโอ้โหที่สุดยอดเลยเนี่ยนั่งกรรมฐานที่ไหนได้นั่งหลับ มีโยมอีกคนหนึ่งหนักกวนั้นนี่จะถือเนี่ยถือตะเกียงเนี่ยถือตะเกียงอย่างนี้นี่ภรรยาก็คลอดลูกแล้วแค่ถืออย่างนี้แกนั่งหลับได้ด้วยหลับแล้ะตะเกียงไม่ไม่ไม่ไม่หลุดจากมือนะสมัยเวลานี่แกบอกที่แกทําได้เพราะอะไรตอนนั้นแกเป็นทหารเป็นทหารจะต้องฝึกหลับเป็นก็ว่ากันไปฝึกตั้งนานถึงได้เฮ้ยมันการฝึกเห็นไหมทรูปกายฝึกได้แต่ใจมันหลับนี่เป็นกรรมฐานอะไรหรือโยมกรรมฐานเป็นเรื่องความเพียรทางใจ การเจริญสีนก็เป็นเรื่องความเพียรทางใจมาดูแลกายกับว่าจะการเจริญสมาธิก็คือความเพียรทางใจที่ไปควบคุมบาปคือกิเลสประเภทกลุ่มนิวรนทั้งหลายคือกาลมฉันท่พยาบาม ท, ทีนั้มิถาปัญญาก็เรื่องความเพียรทางใจที่จะได้ไปเข้าใจถูกแต่กายเนี่ยมันเป็นเพียงโดยอ้อมที่เราเห็นแต่โดยตรงนะขับเล่นที่ใจแต่ถ้าเราข้อมูลในใจไม่มีเราจะเพียรยังไง